จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หกมกราคมพุทธศักราช 2,547 ้าสเป็นวันขึ้นสิบห้าข้างเดือนยี่เป็นวันพระวันธรรมมัสวรนระวันฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระ แรกของปีพุทธศักราช 2,547 ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตเดิมสายศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนอันตรเสริญของพระพุทธเจ้าจึงได้มาที่วัดเพื่อประกอบกิจทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเป็นศิริมงคลที่จะตามมาต่อไปแนวทางที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงวางไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนปฏิบัติเพื่อความเจริญเพื่อเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความก้าวหน้าทั้งในทางธรรมและทางโลกก็คือแนวทางแห่ง ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เป็นคำสามประการที่พุทธศาสนิกชนทุกๆุกคนพึงปฏิบัติปริยัตหมายถึงการศึกษาริ่มเรียนพระธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าปฏิบัติหมายถึงการนำเอาคำสั่งสอนที่ได้ได้ศึกษาริ่มเรียนไปปฏิบัติกับตน ทางกายวาจาและทางใจปฏิเวทหมายถึงการบรรลุธรรมคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เ ป, นเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการได้เข้ามาสู่พระศาสนาคือปฏิเวทคือการได้บรรลุธรรมนั่นเอง เพราะการบรรลุธรรมนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่าไม่มีอะไรประเสริฐเท่าผู้ที่บรรลุธรรมได้นั้นย่อมเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความวุ่นวายใจท่ามกลางความเกิดแก่เจ็บตายท่ามกลางการพัดผ่าจากกันแต่ผู้ที่ได้มีจิตบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆแล้วจิตย่อมไม่มีความว้าวุ่นขุนมัว ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ <c oughs> กับการที่จะต้องเผชิญกับสภาวะธรรมที่เป็นปกติของโลกคือ ก, การเกิดแก่เจ็บตายการท่าทาจากกันและกันการที่จะบรรลุทำได้นั้นต้องอาศัยปริยัติเป็นเรื่องต้นคือการศึกษาได้ยินได้ฟังอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลัง กระทำกันอยู่ในขณะนี้คือการศึกษาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติอีกทีหนึ่งถึงจะได้บรรลุธรรมถ้าไม่ศึกษาเริ่มเรียนเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะจะหลงทางเหมือนกับคนที่จะเดินทางไปสู่ ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ทิศทางของที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการจะไปถ้าไม่มีแผนที่หรือไม่มีใครผู้ที่เคยไปมาแล้วบอกทางย่อมไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิเวชนั้นก็เช่นกันต้องมีปริยัตในเบื้องต้นต้องมีผู้สัง่งผู้สอนผู้บอก หรือมีหนังสือไว้อ่านเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะเดือรู้ถึงการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจะต้องดำเนินอย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายนั้นยากอย่างยิ่งถึงแม้ไปถึงอาจจะไม่รู้ว่าเป็นจุดหมายที่ตนเองต้องการจะไปก็ได้ แต่ถ้าได้ศึกษาแล้วไม่นำไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเช่นกันคือได้ยินได้ฟังทาได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยนำมาปฏิบัติกับตนเลย <c oughs> ผลที่จะปรากฏขึ้นตามมาคือความสงบสุขความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นกัน ดังนั้นทำทั้งสองประกาศนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการบรรลุผลในทางในทางธรรมคือต้องมีปริยัติการศึกษาในเบื้องต้นเมื่อได้ศึกษาแล้วก็นําไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาผลในทางพระพุทธศา ส, าสนานั้น ก็คือมรรคผลนผิพพานนั่นเองมรรคผลนผิพพานก็คือความสงบความโล่งเย็นเป็นสุขของจิตใจที่เกิดขึ้นจากการได้ขัดกลางสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่เป็นพันธนาการโผล่จิตให้ติดอยู่กับกองทุกข์นั่นเองสิ่งที่บุคคลที่ปฏิบัติจะบรรลุ ถ, ถึงนั้นท่านก็แบ่งไว้เป็นสีขั้นด้วยกัน คือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์เป็นขั้นที่เหมือนกับบันไดที่เวลาเราเดินขึ้นบ้านเราก็มีบันไดให้เราก้าวขึ้นไปทีละขั้นการปฏิบัติธรรมคือผลของที่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นขั้นขั้นเช่นกันขั้นแรกคือโสดาบันนี้ เกิดขึ้นจากการที่ได้ชำระหรือได้ได้กาจัดสังโยชน์เครื่องพันนาการจิตให้ติดอยู่กับกองทุกขาส า, สาประการด้วยกันคือหนึ่งวิจิตรกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนในขันห้าคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสองวิจิกิจฉาความ ลองเลยสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ 3. สศีลพัตะปรมา ก, การรูปความศีลคือการยังไม่แน่ใจว่าศีลเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญยึงยังต้องหลงพึ่งสิ่งอย่างอื่นเช่นไปหาหมอดูให้สะเดาะเคราะห์ไปหาหมอสินแสให้บอกทิศทาง ของบ้านว่าควรจะตั้งหันหน้าไปทิศทางไหนควรจะตั้งโต๊ ะ, ต, ะตั้งเตียงไว้ตรงไหนห้องนอนห้องนา้าควรจะอยู่ที่ใดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นศีลับพัตตปรามาตคือยังคิดว่าความเจริญนั้นอยู่ที่บ้านอยู่ที่สิ่งต่างๆอยู่ที่ดวงชะตาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพระ อ, อริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบัานนั้น เมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านจะเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าความเจริญก็ดีความสองก็ดีเกิดขึ้นอยู่กับศีลธรรมนี้เองผู้ใดมีศีลธรรมผู้นั้นย่อมมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวผู้ใดปราศจากศีลธรรมผู้นั้นจะต้อง ประกบกับความเสื่อมเสียโดยถ่ายเดียวจึงไม่เชื่อในเรื่องของเหมาดูดวงชะตาเรื่องเลิก เ, เรื่องยางเรื่องทิศทางของบ้านว่าจะหันไปทิศทางใดสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กส่วนย่อยเท่านั้นคือถ้าเรารู้จักทิศทางรู้จักการกระทําอะไรที่เหมาะที่ควร มันก็จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ดีขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นตัวเหตุของความเจริญหรือความเสื่อมอย่างแท้จริงความเจริญหรือความเสื่อมนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาคือถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักรัพไม่กระพฤ ต, ติปิดตัวเงดีไม่พูดปดมุทะไม่เสพสลายยาเมารับรองได้ว่า ความเสื่ อ, องนั้นจะไม่เก yeah. ิดข MM ึ้นกับชีวิตของเรานี่คือเป็นสังโยชน์เครื่องพัฒนาการสามตัวแรกที่พระอริยบุคคลคือพระโสดาบันจะกาจัดได้ขั้นต่อไปขั้นที่สองสังโยชน์ที่จะต้องกาจัดก็คือปติฆะความหมดหิดใจราคะการราคะคือความยินดีในการ ทุกคนที่สามารถทำให้ปติคะความหงุดหยิดใจราคะความกำหนัดยินดีเบาบางลงไปก็บรรลุถึงขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีคือเริ่มมีความเบื่อหน่ายในเรื่องของกามรดทั้งหลายแต่ยังไม่ได้กำจัดให้หมดสิ้นไปคือได้ทำให้เบาบางลงไป ควา ม, มญหงุดหงิดใจก็เบาบางลงไปจาะผู้ที่จะกําจัดปฏิฆะควา ม, มญหงุดหงิดใจการวาระฆะความกําหนัดยินดีในการก็คือขั้นที่สามเรียกว่าอาณาคามีผู้ใดที่ได้กําจัดละสังโยต ท, ทั้งสองตัวนี้คือความกําหนัดยินดีในการควา ม, มญหงุดหงิดใจได้ก็จะบรรลุถึงธรรม คือพระอริยะบุคคลขั้นที่สามขั้นที่สี่สังโยชน์นั้นมีอยู่ถึงห้าตัวด้วยกันที่จะต้องกำจัดเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์คือรูปราคะความยินดีในรูปฌานอารูปราคะความยินดีในอรูปฌานอุทัจจะความฟุ้งซ่านมานะความถือตน ปวิชาความแม่รู้จริงผู้ที่สามารถจำจัดสังโยชน์ทั้งห้าได้ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะสังโยชน์เครื่องพันธนาการที่ผูกจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในการมาพบในรูปะพบในอรูปะพบก็จะไม่มีสิ่งผูก มัดให้ติดอยู่จำต้องให้จำต้องเวียนไหวตายเกิดในทรทังสามนี้เป็นผู้ที่ถึงพระนิพพานเป็นผู้ที่ได้ถึงจุดของความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่ารอรรมณ์สุขไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปทำที่จะทําให้ผู้ที่ปฏิบัติได้บรรลุถึง ทำทั้งสี่ขั้นนี้ก็คือทานศีลภาวนาซึ่งเป็นมรรคคือวิถีทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทานก็คือการให้มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยไม่ถือโทษกฎเคณฑงผู้ที่ล่วงเกินตนเรียกว่าอภัยทาน และให้ความรู้ทางด้านธรรมะอย่างที่ขณะนี้ญาติโยมกำลังฟังธรรมะอยู่การแสดงธรรมนี้เรียกว่าการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานนี่คือทานทั้งสีช่ชนิตผู้ที่ปฏิบัติสามารถที่จะให้ได้ขึ้นอยู่กับว่าตนมีสิ่งใดที่จะให้ก็ให้สิ่งนั้นไป ส่วนศีลก็คือศีลห้าศีลแปศีลสิบศีลสอง้อยี่สิบเจ็ด น, น, นี่คือศีลคือการละเว้น <c oughs> จากการสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นด้วยทางกายทางวาจาเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรับการประพติผิดโเวนีการพูดผลดมดเทจนี่เป็นการเสพจสุาาลาอย่างเรา นี่เป็นการกระทาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วความเดือดร้อนนั้นก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตนเองเรียกว่าศีลธรรมะที่จะต้องปฏิบัติขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการบาเพ็ญจิตหรือเรียกว่าการพัฒนาจิตใจให้กำจัดสังโยชน์ทั้งสิบให้ออกไปจากจิตจกใจแบ่งเป็นสองส่วน้วยกัน เรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาคือการทําจิตใจให้สงบด้วยการกําหนดรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm hmm. เช่นคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจโดยให้มีสติและลึกรู้อยู่กับคําว่าพัมภาวนาพุทโธพุทโธไม่ให้จิตทะเลถลายแวบออกไปคิด ถึง เ, เรื่องราวต่างๆให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วคำว่าพุทโธนี้ก็จะนำพาจิตรวมๆเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขจิตจะมีความปิติมีความสบายเปรียบเสมือนว่าในขณะนั้นไม่มีกิเลสตัณหาผู้ที่สร้างความวุ่นวายใจหลงเหลืออยู่เลย แต่ในความจริงแล้วเป็นเพียงแต่การทำให้กิเลสตัณหาหรือสังโยชน์ทั้งหลายนั้นสงบตัวลงไปเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทำลายยังไม่ได้ขุดรากถอนโคนออกมาผู้ที่จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาสังโยชน์ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นจากจิตจากใจได้ต้องบาเพ็ญภาวนา อีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการเจริญจิตให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้รู้ทันสภาวธรรมทั้งหลายว่าล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นไม่ว่าอะไรทั้งหลายที่จิตไปเข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมทั้งหลายนั้น ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจร้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นคือไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวตนรวมไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสภาวะธรรมที่จิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทุกๆคนที่เกิดมานี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันรูป ก, ก็คือร่างกายของเราที่มีอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเวทนาก็คือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องดีบ้างคิดเรื่องชั่วบ้างสัญญาคือความจำได้หยรู้ จำว่าคนนั้นเป็นใครจำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์ที่มาปรากฏในใจธรรมะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งสิ้นร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ สลับผัดเปลี่ยนกันเกิดขึ้นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขมีไม่ทุกข์บ้างสังขารก็คือความคิดปรุงก็คิดไปในทางที่ดีบ้างคิดไปในทางที่ไม่ดีบ้างสัญญาก็จำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำวิญญาณก็รับรู้ลูกเสียงกลิ่นรสโผลฐาธมธรรมรมณ์แล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านี้มีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรอยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีตัวไม่มีตนท่านเปรียบเหมือนกับแสงของหิ่งห้อยที่เกิดดับเกิดดับในยามค่ำคืนฉันใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นแล้วรูปเสียงกฤฤิรลดโสดภะธรรมารมณ์ก็เป็นเช่นนั้นผู้ที่จะปฏิบัติแล้ว ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้ได้จำต้องพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจะได้ปล่อยวางคือรู้ว่าถ้าไปยินดีแล้วจะต้องเกิดความเสียใจตามมาเพราะเหตุใดสิ่งใดที่เรารักเราชอบเราไปยินดีเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปตลอด แต่เมื่อสิ่งนั้นได้แพรปวนผ่านเปลี่ยนไปหายไปความเศร้าโศกเสียใจก็จะต้องตามมาถ้าพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงล้วนไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปวนกับการสูญเสียกับการล่มสลายหมดไป ของสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองนี่ก็คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติด้วยการศึกษารำเรียนในเบื้องต้นเมื่อศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติเช่นทานก็ให้ทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นจะต้องรอวันที่เป็นวันพระถึงจะมาทําทานเพราะชีวิตของเรานั้นมีเหตุการณ์ที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องทําทานอยู่เสมอเวลาเราไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนพอที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันเรามีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้กันได้ก็ให้กันเพราะถ้าไม่ทาทานแล้ว การจะรักษาศีลซึ่งเป็นธรรมขั้นต่อไปก็จะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากผู้ที่ไม่ทำทานนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยคำนึงถึงหัวอกของผู้อื่นนั่นเองมัวแต่จะคิดถึงความต้องการของตนเองคิดถึงประโยชน์สุขของตนเองก็จะไม่ค่อยสนใจถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาจะทำอะไรก็ไม่สนใจว่า จะไปกระทบไปสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นหรือไม่กราบใดถ้าได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการแม้จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้จะต้องขโมยแม้จะต้องประพฤติผิดประเวณีแม้จะต้องโกหกหลอกลวงก็จะทำเพราะเป็นคนที่ไม่มีใจที่มีความเมตตานั่นเองคนที่ไม่มีความเมตตาไม่ชอบทางบุญให้ทาน ย่อไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปคือการมีศีลคือการรักษาศีลได้จึงต้องมีการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องต้นก่อนเพราะเมื่อทำบุญให้ทานแล้วจิตใจก็จะประกอบด้วยความเมตตาจะมีความกังวลมีความห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเวลาจะทำอะไรก็จะต้องคิดเสมอว่าเมื่อทำไปแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลขึ้นมาโดยปริยายนั่นเองผู้ที่มีศีลมีทานแล้วจิตใจย่อมอยู่กับความสงบไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพราะไม่มีเหตุที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายนั่นเองคนที่ไปทําผิดศีลแล้ว นั่นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความกังวลเช่นไปทำร้ายผู้อื่นก็ต้องกังวลว่าผู้ที่ถูกทาร้ายเขาจะมาทำร้ายเราหรือไม่ต่อไปเราไปทำผิดอะไรเราก็ต้องกลัวว่าจะต้องถูกจับได้จะต้องถูกเอาไปลงโทษเราก็จิตใจก็จะมีแต่ความวุ่นวายเมื่อมีความวุ่นวายเวลาจะไปทำสมถะภาวนาก็จะทาได้ ยากไม่สามารถที่จะทำได้เลยเพราะว่าจิตไม่มีศีลเป็นเครื่องรองรับนั่นเองแต่ผู้ที่มีศีลแล้วเวลาที่จะทาจิตให้สงบนั้นก็จะไม่มีอุปสรรคมากนั้นเพราะโดยธรรมชาติของจิตที่ไม่สร้างความเบียดเบียนให้กับผู้อื่นก็ไม่มีไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดความว่าวุ่นขุนวัวอยู่แล้วพอทํากำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็นเอกตาเห็เป็นจิตที่มีความสุขมีความสงบตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตมีฐานแห่งสมาธิแล้วถ้าจะนำไปใช้ในการกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะสามารถ ทำได้อย่างง่ายดายเพราะกิเลสตัณหานี้เกิดจากความหลงความหลงนี้จะดับความหลงได้ก็จะต้องใช้ปัญญาทางวิปัสสนานั่นเองคือจะต้องศึกษาถึงสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นร้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้น ถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความหลงก็จะสูญสลายไปเมื่อความหลงสูญสลายไปความโลภความอยากก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาความหลงนี้มักจะเห็นตรงกันข้ามกับความจริงความหลงนี้เห็นเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่มีไม่เที่ยงเห็นความสุขในความทุกข์ในกองทุกข์ในสิ่งที่มีความทุกข์ ต้นเล่นอยู่เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อมีความหลงแล้วก็จะต้องมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมีความอยากที่จะให้สิ่งที่ตนเองยึดติดอยู่นั้นอยู่ไปกับตนตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ เกิขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปกำหนดบังคับให้เป็นไปวามต้องการของตนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะต้องมีความทุกข์ต่างมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนเช่นรูปเสียงกลินรสัผพะ ธรรมอารมณ์ทั้งหลายเวลาสัมผัสแล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปติดต้องรู้ทันทันทีว่าเขาอยู่กับเราไม่นานเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอย่างตาของท่านตอนนี้มองอยู่ก็จะเห็นรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรูปที่เห็นนั้นก็จะเปลี่ยนไปเช่นเวลาลุกออกไปจากศาลานี้รูปที่เห็นในศาลานี้ก็จะหมดไปอย่างนี้เป็นต้น ต้องให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการหมดสิ้นหมดไปไม่มีอะไรค ง, งที่คงเส้นคงวาล้วนจะจะต้องมีการสูญสลายหมดไปทั้งสิ้นเช่นสำคัญร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาตายเขาก็เอาไปเผาไฟก็กลายเป็นขี้เถ้าที้ฐานไป ไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ไปได้ตลอดครับอยู่คำฟ้าไปได้จะต้องจะต้องแยกแตกสลายกลับไปสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟถ้าผู้ที่จเจริญวิปัสสนาแล้วก็จะรู้ทันก็จะไม่ยึดไม่ติดก็ปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงเวทนาก็เช่นกันเวลาสุขก็ไม่ยึดติดกับความสุขเวลาทุกข์ก็ไม่ังเกียดกับความทุกข์ เปรียบเหมือนกับความมืดกับความสว่างเวลาผ้าทิพย์ขึ้นมามีแสงสว่างก็ไม่ยึดติดกับแสงสว่างเวลาผ้าทิพย์ตกลงไปความมืดกับคืนมาก็ไม่รำเกียดความมืดอยู่ได้ทั้งกับความมืดทั้งกับความสว่างฉันใดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปยินดีกับความสุข เพราะถ้าเกิดยิ้ดีกับความสุขก็เท่ากับการยึดติดอยู่กับความสุขเมื่อความสุขนั้นหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาก็จะเกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายใจแต่ถ้าไม่ยึดติดกับความสุขสุขมาก็รว่วมารู้ว่ามาเพื่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ไปหวังที่จะให้อยู่กับตนไปตลอดก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่มีความทุกข์ ที่เกิดจากอุปาทานความยึดมั่นติดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแบบเดียวกันเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่น่าดับไปให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดียินร้ายกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไปควบคุม บ, บังคับให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้นั่นเอง นี่คือการเจริญวิปัสนาภาวนาให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเท่าที่จะสามารถทําได้ถ้าจิตรู้สึกว่ามีความทุ้งทั้งคือพิจารณาเกินขอบเขตของเหตุของผลก็ให้ย้อนจิตกลับมาสู่สมถะภาวนาทําจิตให้สงบซะก่อนเปรียบเหมือนกับเครื่องที่วิ่งไปแล้วมันร้อนมากเกินเกนไปก็หยุดพักเครื่องสักพักหนึ่งก่อนให้เครื่องเย็น แล้วค่อยติดเครื่องทำงานต่อไปการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็เป็นเช่นนั้นถ้าภาวนาโดยไม่หยุดไม่หย่อนพิจณาโดยไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เลยก็จะเกิดความทุ้งท่าขึ้นมาเลยเหตุเลยผลไม่สามารถเห็นตาความเป็นจริงได้อย่างนั้นก็ควรที่จะหยุดพักย้อนจิตกลับมาสู่สมถะภาวนากาหนดจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ เมื่อจิตสงบตั้งมั่นอยู่ก็ปล่อยให้จิตสงบอยู่จนกว่าจิตจะอิ่มจะพอแล้วก็จะถอนออกมาจากความสงบนั้นหลังจากนั้นแล้วจิตก็พร้อมที่จะไปทำงานในทางด้านวิปัสสนาภาวนาต่อไปเราก็ย้อนกลับมาพิจารณารมต่อไปและพิจารณาร่างกายก็ได้ดูอาการสาสิบสองให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าเป็น สิ่งที่จะต้องแตกต้องดับอย่างนี้เป็นต้นพิจารณากไปเรื่อยๆพิจารณาไปกลับไปกลับมาจนกว่าจะเห็นชัดจนกว่าจะตั้งอยู่ในจิตหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถเอาชนะความเห็นผิดได้โดยปกติผู้ที่ไม่ได้เจ ร, ริญวิปัชนามักจะเห็นร่างกายว่าเป็นของสวยงามมักจเห็นร่างกายว่าเป็นร่างกายที่น่าชื่นชมยินดี น่าจะน่าจะเอามาครอบครองเป็นสมบัติยึงเกิดมีการมีคู่ครองกันขึ้นมาเพราะขาดการใค่ควรพิจารณาทางความเป็นจริงของร่างกายนั้นเองแต่ผู้ที่ได้พิจารณาดูความไม่สวยไม่งาม